ติดัวของเราแล้วไม่สนใจไม่สามารถตระรังรักษาตัวเองเพื่อศาสนาซึ่งเป็นการเพื่อตัวเองเลยเฉพราะรู้วยความเป็นไปนอยู่แล้วจะเหลือได้อย่างไงมันเสื่อมที่หัวใจเดยถ้ากิตใจปล่อยแอทอ้อหายจิตใจเสื่อมตาจากศาสนาแล้วนั่นแหละศาสนาเสื่อมที่ตรงหัวใจถ้าทุกข์เศร้าศา ส, สนาจะเลยนี่จะเลยที่หัวใจ มหมายถึงการวัดถุกจเจริญความเจริญองค์กาบศาสนาหมายถึงคนที่มีศรัทธาพุทธบริษัคทั้งสิน็นที่มีศรัทธาวบวชคือตั้งใจและ่ปฏิบัติตามหน้าที่เมื่อบวดมีความมุ่งมั่นมีเหตุผลในการบวชมีความเชื่อความใส่ในความเคารพ ต่อศาสนาธรรมไม่เหยียบย่างทำลายห้ือความพุดธควมข้างกับำลัธทางนิมิตทางธนรมะให้เฉลยที่เรื่องเครื่องก็ถึงธรรมะก็คือจิตใจคิดไปในแง่ใดคิดเป็นภัยต่อธรรมะนั่นนั่นก็เป็นเครื่องทำลายธรรมะสิ่งใดที่พุทธเจยวห้ามสิ่งนั้น คือภัยของหัตจมายินดียินร้าในรูปเสียงกินรูปเครื่องสัมผัสนะสังเกตมั น, น, นอบอกมัม่ยินดีินรยินร้าในรูเสียงกินรเครื่องสัมัที่มากระทบตามกเื้องาดือนเข้ามาเป็นขั้นข้างไอจิตใจยังคุยยินดีินร้นนาอ ย, อยู่โดยตัวก็ไม่ทราบ รู้ทราบแล้วมาสนใจกัน้อมตะวันภาษาเอนก็คือการทํางานเอนอยู่ในในตัวซึ่งแล้วก็เป็นการทํางานจ า, าสนาในตัวมันก็เสื่อมที่ตรงนั้นศาสนาศาสนาเจริญก็คื อ, คอคกาอปฏิบั ต, ติน้อมตะวันพยายามเดินตามหลักธรรมที่ท่านสอนให้ในวินดีพยายามแก้ไขเรื่องความาดีในสิ่งที่ไม่ควรยินดีเงื่องบานสุดปัญญาของตน เป็นดูเปเสียงเป็นกลิ่นเป็นรถกลร่องสำผัญอะไรก็าตามอมแล้วว่สิ่งที่ควรดีดีท่านให้ดีดีสิ่สงทีไ่ควรดินได้ก็จะ่ไปกินได้มันเป็นการสั่งสมเกลียดขึ้นมาทำลายธรรมที่มีภายในจิตใจันข้ามใจอย่างนั้นการสอนทุกเนี่ยที่สอนทุกามปลอดภัยที่างด้านจิตใจมีหมายถึงหลักธรรมในหม า, ายถึงข้อยึดแนยาวไปก็เป็ น, นข้อยึดแนละเอียดขึ้ามาก็เป็นธรรม ไม่ปรับโทษทางกายวาจาแต่ก็าปรับโทษอยู่ภายในจิตใจตัวเองที่คิดฝุดไปแต่ละขั้นละข่าวแต่และสิ่งใดอย่างเกี่ยวข้องกับสิ่งใดอย่างใดที่เป็นข่าศุดต่อจิตใจแล้วก็ทําลายกันไปในตัวใ น, นตัวนเสื่อมอยู่ในตัวนั่นเหยียบย่ำทาลายอยู่ภ า, าย ใ, นในหัวใจแล้วเป็นของดีเมื่อไหร่เพราะใจเป็นของสาคัญหนึ่งด้วยแต่ที่เราจะรับการพนุรวมรรักษาด้วยสติ ป, ปัญญาของเราตามหลักธรรมทีท่ท่านทรงสอน่อนนี่แล้วแล้วก็ ทำลายตัวเองด้วยความเถอนก็ดีด้วยความนอนใจก็ดีแล้ยิงย่งคิดด้วยเจตนาโดยแล้วยิ่งไปอห่อันนั้นเป็นอาทรที่ตาทั้งความละอ า, ายแ น, น่ทำลายตนเองแบบสดๆร้อนๆทำลายศาสนาศา ส, สนาที่ผายสน่ห์อของเจ้าสมควรไม่โดยทอบทาแล้วเจ็ ไปเน่ยเป็นอื่นที่ไหนต้องชอบทานั้นพราะไม่ชอบทำก็คเคลียร์ผู้ทำผิกนั่นเองภาษานามมีความละเอียดมากที่สุดปฏิบัติไปเท่านี้ไปเห็นไปเทงนี้มีความละเอียดอ่อนลงไปโดยด ม, ามหาทือค้านมานานนี่มแง่ใมมไหนเป็นความละเอียดที่สุดจะแทบจะพูดได้โสางมไม่คสควรจะจกักหาไม่ได้เป็นรือ อย่างเราพูดตามขั้นยานจิตใจของมันนี <pad> ่กับศาสนามันจะเข้ากันมันเข้ากันไม่ได้เอยพยายามหมุนจิตใจเข้ามาสี่หลักทางศฝืนจิตใจซึ่งพลึซึ่งเป็นประจานกรแสของโลกให้ทวนกระแสเข้ามาสื่อธรรมหวานก็าอมขมเขาคือ่เพราะเป็นยาที่ทำมาโอสถต้องฝืนตัวอยู่สมองไว้เพื่อเป็นการต่อสู้ หากมีการปืนต่อให้เป็นประจำยะถากรรมตามเรื่องความเคยชินของจิตมันก็มีแต่พิเรกเป็นผู้ควบคุมชุดล่ากระเด็นหนักหาเรื่องทําที่จะควบคุมวิสุดล่าไปไม่มีในขั้นนี้มันไม่มีมือพิเรกคืนล่าไปทีนี้เราจะทําให้จิตใจเราดีอเราก็ต้องต่อสู้โดยการถุนล่าใจิตใจคี มันจะชอบใจในอารมณ์ใดสินงใดก็ตามต้องฝืนใจดัดใจหากห้างใจมีทีเรียกวมีการต่อสู้กันมมีการต่อสู้กันอย่เสมอมันก็มีทางชนะได้เป็นหังเมอมีการชนะแล้วมันก็มีทงได้ด้วยการมาเพืปฏิบัติทห้เลย ผมพระพุทธเจ้าแล้วพระสงฆ์สาวผู้พาดังนิง้นด้วยดีท่านดังนินด้วยหลับอดหลักธรรมฉันทักให้พอใจใ น, ในผลที่ตนจะคืนได้อนี่ยให้พอใจในเหตุคือการกระทำของตนเช่นเดียวกับพอใจในผลที่ตนปั้งทนา พยายาให้เพียงพยายามความขี้เกียจความอ่อนแอความกลัวตายนั้นมีอยู่ทั้งคันตุกขั้าใจว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องของกิเลสเราจะเข้าใจว่านี้เป็นธรรมนี่เป็เจตัวฝังจงพันิต หลักธรรมเข้าไปแก้กันทันทายิ่งญาปตะมีความตัดไฟค่ายทำอยู่เสมอมค่ายไปติดใจ ต, ตัวเองนั้นเนี่ยทำอยู่ที่นั่นค่ายสอนแนวทางการบำหพ่ น, นยีม่มังสาแต่เนื้อากจัดปรรัญญาจะทำอะไรด้วยความเลื่อนโยกเต๋ติให้ชี้อ่นนนอานแต่จรง สนจิที่ทําคําที่ถูกทุกแง่ทุกมุมนี่เรียกว่าปัญญาพระพุทธเจ้าสอนด้วยความฉลาดแหลมผมมากเรามาสู่วงพุทธศาสนาเพื่อความฉลาดนําอุบายทํางมาสังฝังถึงหักคิดอ่านแต่งจองอย่าหยุดเฉยเฉยก็หที่เฉยก็คือความหลับรักความสุขเป็นความที่เกียดการคิดละ เนี่ยนันเนี่ยนีความทุกข์แต่ต่อตจิตใจไม่อยากคิดแต่คิดในสิ่งที่เป็นภายในต่ติตใจนั่นเลยยิ่งกว่าดีมันก็ไม่ทันกันกับที่เลยกซึ่งเป็นสิ่งที่คล่องแค่ว่องไวที่สุดนอกจากสติปัญญานะั้นไม่มีอะไรจะตามทันอุปัตติบัติแบบไม่เลยถึงความพ้นทุกข์นันเป็นหลักใจมาเลย จิตใจทั้งความพุกข์เป็นหลักใจและความมุ่งมั่นความมีความแน่หนามั่นคงและความมุ่งมั่นนั้นแหละจะเป็นเครื่องสื่อลาความภาคเพียงองามวิสัยทะยามประโยคแห่งความเพียรทุกด้าวหวังจะหมุนตามความมุ่งมั่นไปโดยลำพังทุกข์ก็พอทนเพราะเราเกิดในธรรมการแห่งความทุกข์มาตั้งแต่ขณะตกข้อคอยู่ในขันมีความทุกข์อยู่แล้วเคยอยู่แล้วมาโดยลํำพัง ตั้ต่วันกข้อออมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราเคยมาท่ดอะไรไปยืนดูไปอายุเราสี่ปีสี่เดือนนั่นแหละเราเคยต่อเริ่มความทุกข์มาเท่านั้นตื่นเราจะไตื่นเต้มเลยกับทุกในขณะที่เราจะประกอบความภากเพียงเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านีเหตุแต่เราควรจะนอนใพไม่มีอะไรจะกลัวทุกข์เื่อนึงมันข้างมันขงนังทุกข์เพราะวิริยะเยจียรจันดิ์ใจนั้นเป็นทุกข์ที่ สำคัญมากเป็นทุกข์ที่เจ็บแสบมากยิ่งกว่าทุกข์ภายในธาขันธ์ยิ่งแม้พระพุทธเจ้าพระสาวกท่านก็ทรงรับท่าเหมือนกันดัทุกข์ในธาตในขันธ์เป็นประเดียงว่าพวกเหล่านี้ไม่สามารถซื้อคืนท่าเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจของท่านได้เท่านั้นต่าง ก, กันกับพวกเร า, าหันให้นท่าอย่าตื่นเต้นในทุกข์ในเวลาประกอบความธาตุเปียนอย่ากลัวทุกข์ จนเกินไปยิ่งกว่ากลัวไม่ได้ทนทุกข์ให้าเหตุหาผลหาวิจิตปัญญามากแก้ไขเป็นดีเวลาไปติดขัดที่ที่ตรงนั้นยังติดขัดทั้งวันคิดไม่เอาไหนหาเหตุหาผลในความไม่เอาไหนของจิตนั่นตัวปัญญาความขี่เกียจความที่เขียจนี้เคยเป็นเจรษทีกระดุมทีทั้งสมบัดนติ ท, ทองและอัตถามั้น มนมีใครได้เพราะความที้เกียจมันมือผิสุดได้เพราะความขยันหนักผืนูพคนทุกข์ไปได้ก็เพราะความเปลี่ยนดังท้านแล่าวว่าวิเดียไม่มีความเกลียตินมันค้นทุกข์ไปได้เพราะความเปลี่ยนนี้แรกด้ทั้งทางโลกทางคือทุกข์ทางคราบาล่เพราะความขาดตกบกพร่องปัจจัยสีเครื่อมช้ไม่ต่อเชื่อมอุปโภคโอปโภคแต่ขี้เกียจมันก็ขาดเสิขาตกบกพร่องก็เป็นความทุกข์ มีความขยันหนักเพียงต่อการตอบเแทนหาผลประโยชน์เรื่องครอบครัวทั้งตนเรื่องจิตทั้งตนความสุขก็มีขึ้นเพราะความเพียรทางหน้าจิตใจก็ต้องอาศัยความเพียรที่จะตอบแทนท่อได้แต่อย่างละอย่างเป็นลํำดับไปก็ครอบหน้าทางความเพียรท่านจึงยกความเพียรเป็นหลักสําคัญเครื่องสนับสนนุนก็บจิปัญญา โดยยกสติปัญญาเป็นสำคัญอันหลักแรกเราพผู้ปฏิบัติยาได้มองอะไรในนอกเหนือไปจากพุทธพุทธเจาพระธรรมพระสงฆ์ที่เรียกว่าองค์แห่งรัตนะที่เป็นรัตะของพวกเราการทุกข์มันเกิดขึ้นมาภาตูก็หหนยกพพุทธเจ้าเข้ามาเป็นข้อเป็นจับคีพยายที่เป็นข้อเทียบเทียง ลงสลดรงสลบถึงสามครั้งนั้นทุกหรือไม่ถูกคนขนาดสลดจะไม่ทูกได้ทำไมทุกถึงขั้นสลบถึงสลดทูกถึงตายถึงตายได้คนเราความเพียรของเราถึงขั้นสลดทําไมถึงไม่ควรเป็นทุกทไมความเพียรจึงจะนี้เข้าใจว่าเจนกว่าครูได้ความเพียรขนาดของเราทันทันไมจะอวดเจนว่าเจนกว่าครูหนึ่งอุบายวิธีแน่สําหรับ ภาษาวกอนความท้าเพียงนาโองถึงฝากท้าแต่มีเยอะนาโองจับสุแตกอันีจับบาจับสุแตทั้งโสนะขาเท้าแต่และนอกจากนั้นมีเยอะในแง่ต่างๆซึ่งเป็นความลำบากที่ขนาดทือว่าความเพียนเด็กหลังไม่มี ดูคืาโทษต้องมีการขาายันเป็นเป็นต่างต่างมีการพ่อสติสตัติจะให้หาเหนื่ยจากใจหยุดนื่มีสติเนเิ่มขึ้นรักษาอยู่ลไทยก็ไม่ค่อยมีการทุบตขึ้นจากใจหยุดกรู้ที่เป็นเรื่องใดร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องหลอกท้ง คิดเป็นเรื่องเปนราเรื่องนั่งโน่นนี้เป็นเรื่อง เ, เิ็นราวขึ้นมาจากปฏิตายุคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนําเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจมาล่วงลนจิตใจหลอกจิตใจว่าภาพตัวเองเหมือนกระดูมหนังล่ะหนังสดหนังแห้งหนังสดก็เป็นลุงบ้าลุงบานหนังสดหนังแห้งก็คือเขาขายภาพพยนต์ขายหนังเอานํามาขายกันดี นี่เราเคยทั้งผัดสัมพันธ์กับเสียงสิง่งลดเครื่องพิ่มผัดมาซึ่งเป็นเรื่องฝดนั่นก็ติดแน่หนึ่งแล้วแล้วนำสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ภายในจิตใจที่จะตาตีตาลง น, นี่ก็ามาทาํานายจิตใจของเร็นเรื่องเป็นราวลี่ยงนี้เสมอเป็นเรื่องของความคิดคือั้งขานกับสัญญามันเสียงโย ง, งกันให้มีสติแล้วหักห้ามสุ่งทียไม่พึ เรื่องนี้ถึงต้องหลอกตนเองตื่นเงาของตัวเองความคิดนี้ไปจากใจเปน็นว่าเป็นว่าเป็ภาพเป็นเรื่องเป็นรายต่างๆขึ้นมาอยู่ภายใน จ, ใจิตใจเจ้าของก็เพ้อเพ้เ่มไปตางนั่นคือความลุ่มหลงนั่นคือความแพ้เรื่องสมุทัทยที่ตุ่มออกดอกเจ้าของนี่เราเคยคิดเคยตุ่มมาแล้วได้ผลได้สิอะไรบ้าง คิดอย่างคิดคิดอย่างที่ว่านีนเคยคิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรได้ผลผลอะไรนอกจากก่อคัวเริ่มพูดข่าวเขาลงไปเองนะนี่อย่างอีกมีเราจะสาวายคิดแง่ใหน่เนี่ยในขณะที่จะทําจิตต้องมีความสงบก็ต้องหาข้ามทั้งหมดไม่ให้จิตสะเดือนตัวออกขยับออกไปไหนจะเป็นเรื่องเป็นราวเพราะจิตเมื่อจิตขยับตัวออกไปได้ ก็ S <S <ess> แสดงว่าจิตแสดงแสดงเรื่องราวได้แล้วแล้วก็ทําให้เราหลงไปตามเพลินไปตามได้เลยขณะที่จิตสงบไม่ยอมที่จิตก็ย่ำไม่จิตอะไรไม่รวมแต่เรื่องราวอะไรขึ้นมามีแต่ความสงบความสงบที่มีเรื่องราวเป็นความสุขขั้นของสมาธิเป็นอย่างนั้นส่วนขั้นกวนดาเรื่องราวของปัญญานมีแต่เรื่องราวปวดเครื่องวิริยะสวัสดิด ที่นอนเรื่มภายนจิตใจออกไปโดยยังหังอันถ้าออกเป็นเรื่องก็ให้เป็นเรื่องปัญญาอยากเป็นเรื่องของโมหะอยากเป็นเรื่องของสมุทยซึ่งคอยระลอกรวมงตัวนี้เสมต้องฝืนนั่งนั่งคาทุบะฝืนไม่น่าไม่เคยทํามาแล้วเวาจิตยังไม่เป็นเวลาลุกพุกข์ขาทุกแ่ทุกแสงขตั้งหลจิตไม่ได้แต่ก็พยายาม หาที่ช่วยเหลือเลยหาสถานที่เหมาะสมที่จะช่วยเหลือกับวิเล็กประเภทนี้มันจะได้อยอมเพราะฉะนั้นมันจึงต้องเที่ยวหาดูตางป่าตามเขาที่เป็นที่หน้ากลัวไปอยู่เงี้นเมื่อหน้าเมื่อไปอยู่สถานที่หน้ากลัวความเชื่อเก็ตั้งขึ้นมาหน้าสมานนอนแต่สติเมื่อความเชียอตั้งขงึ้นมายถึสติมันตั้งเึ็นฟังก์ชันถ้าตายในสถานที่เช่นนี้ระหว่าไงไหนตายนันเวลาเช่นนี้ว่าง เากำล young, ples, snaps, ังเถื ous, Today, ่อเถ่อจิตใจเล่นลอยจะไปทางดีหรือทำทั่วล่ะตาก็หมาอมทั้งหมดตาด้วยเสือนั่นแหละไม่ป่าของเขาเพราะเป็มไปด้วยเสื่อเหมือนทุกวันนี้นะจะขอดเสือชุ่มมากไปตรงไหนมันจะเสือแต่นี้มันเรียนแต่ชื่อเหมนเป็นรูปเสือในกระดาษมันไปอยู่ในที่นั่นถ้านก็เหมือนกับว่าถูกมัดมือมัดเท้าไว้ที่เือถูกมัด ความเพลินก็กล้า่สติปัญญาดีสตินี่ดีเป็นกัปตายประมอกไว้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระ ส, สงฆ์ซึ่งอยู่ภายในจิตใจนี้จิตใจไม่อยอมให้ติดตุม้มถึงเรื่องเสือเรื่องหนีเรื่องช้าเรื่องอะไรทั้งหมดให้อยู่กับความรู้อันนี้ไม่เช่นนั้นก็ให้ติดแน่พระพุทธโธแน่นลยยอมเป็นยอมตายกับคําบริกรรมอันนี้ไม่ ให้ส่วนจิตไปต่หาเรื่องหาราวขึ้นมาหลอกตนวเองเช่นมาคือลมาเสือจะมาคินคนมากินเรามีเหล่าตัวนั้นนะจิตจะกระเพื่อมขึ้นมาจิตจะตื่นตกใจแต่นั้นจึงนเมืนน่จิตกระเพื่อมออกไปสู่อารมณ์ภายนอกอั น, นจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องนั้นเลยมีคหมุนติ้วติ้วในจิตทาในจิตอย่างเดียวไม่นานจิตก็สงตัวลงได้ เมื่อจิตสมบตัวลงแล้วความกลัวทั้งหลายนั่นหายไปนะที่เคยกลัวมันหายไปหายกล้ากลัวได้หายไปแล้วยังไม่แล้วความกล้าหานิเกิดขึ้นมาแทนที่กล้าหานสามารถที่จะเดินเข้าไปรลุกทำหลังเสือซึ่งเป็นสัตว์ที่น่ากลัวมาแต่ก่อนนั้นด้าอย่างสบายในเวลาที่เสือเดินผ่านเข้ามาที่นั่น นี่เราเป็นมกล้าหาญขนะนั้นไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันว่าความกล้าหาญคนนี้และเดินเขาเ้าไปรูบคำหลังเสือทั้งทั้งจิตจิตัดรา้ายซึ่งแต่ก่อนกลัวมากและเป็นลูบคำได้อย่างสบายไม่กระทบกระทั่งเลยเป็นเพ่อนกทั้งๆที่จิตมันไม่ได้รวมหรือจิตเข้าใจ มันคิดได้มันสบายตัวแล้วเสือจะทำอันตรายต่อเราอย่างไรหรือไม่ไม่สนใจคิดแต่แน่ใจอยู่กว่าเสือไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยในขนาดนั้นไม่มมว่าเสือเล่าว่าอะไรทั้งนันเพราะจิตนั้นมันเป็นที่กําลังของจิตในขนาดนั้นนี่เสือเป็นที่ขนาดที่ว่าถัดรูไม่มีกลัว นี่แหละเวลาไปอยู่ในสถานที่ตัวกลัวมันดับแต่ของด้าของขนาดนี้อทีแรกมันกลัวจะเป็นตัวสั่งดีไม่ดีเวลาเสือกรห่มก็ะห่มมันก็ไม่ใช่มากกระห่มข้องข้ามข้างเกลงมันก็จะกระโมยตามเรื่องนี้แต่ทีนี้ตัวสั่นขึ้นมาแล้วเห็นไหมมันลับคิดจะเป็นความกล้าสามแบบเป็นที่แบบตัวสั่นอย่างนั้นกันดอ เมื่อจิตมันฝึกได้่างนี้ด้วยอุบายสิของเราที่ึเราจึงต้องแปลเขื้อหาดอยู่ในเอกสานที่เช่นนั้นเพื่อดัดชั้นฐารจิตประเภทดือด้อดันดน้านนี้ที่มันยอมจำนนเมื่อเราเคยได้ผลด้วยวิธีการหรือเสานที่เช่นนั้นนั้นแล้วเราจึะชอบหาดอยู่แากเอกสานที่เช่นนั้นกําลังจิตก็มีความแน่นหนามันคมขึ้นโดยลำดับนั้น นี่เป็นขั้นเร่มแรกของการประบัติบุติบัติต่อสิ่งที่น่ากลัวันสถานที่น่ากลัวซึ่งเราไปอยู่โดยบังคับจิตมาให้คิดตึมออกไปในสิ่งที่น่ากลัวเลยให้อยู่กับคำบวยกันเช่นพุทโธพทโธเป็นต้นจึงแนบสนิทตัดใจไม่อยอมให้คิดแม้ลัณะหนึ่งให้ปิดแนบเป็นใจต้องบังคับบรญชาขนานั้น ถ้าเผลอไปนี่อานะเวลาเสือมากันกันรขั้นที่สองน้อจมไปอีกหาความดีไม่ได้เพราะไม่มีสติเีนืท่านเริ่มแลก ว, วิธีจุดความกลัวปราบความกลัวของตนกลัน่นี้พอขั้นที่สองขึ้นมาคือจิตมีความเปลี่ยนแปลงประเดิมดับด้วยการอบรมพอจิตกล้าเข้าสู่ปัญญา พิจารณาทางด้านปัญญาท่านี้แยกธาตุแยกขันม์นันไม่อยู่แบบนั่นนะแบบที่ไปอยู่ไม่อยู่เพราะมันกหนุนว่าเสือดังที่เขียนเลยน้ในปัจจุบันเพราะมันก็อมองว่าเสือเสือมีอะไรที่น่ากลัวน่ ะ, นะนมรคนนะตัวขนมันเหนือเสือที่มันมีลายาในขนดัง ข, น, ขนเหนือขนขนลาวันยังมีนี่น่ากลัวถ้ากลัวขนเสือขนลาก็มีก็กลัวขนลาวสิมีขนดังนี่นกลัว เออตัวขนเสือจึงเป็นขนเหมือนกันเนี่ยเอาเล็บคัวเล็บหรือเล็บเสือเลยเนาะเล็บเราก็ต้งมีเหมนกลัวเนี่ยไม่แยกกันอย่างนี้นะปัญญาแยกดูอังดูหนังดูเล็บดูเขี้ยวของมันตัวเขี้ยวไม่เหอเรอเขี้ยวเราก็มีเหมนกลัวเนี่ยตัวตามตาแล้วก็มีเหมนกลัวเนี่ยไล่ไปทุกที่ทุกมุมทุกสิ่งทุก อ, อย่างไล่ัไปด้วยปัญญา ติดจออยู่นั้นบังคับอยู่นั้นไม่ยอมให้หนีพราดไม่พลาดไปไหนเลยไม่มันผิดมันพลาดไปไหนสมบัติกั น, ท, าานที่มรณาด้วยปัญญานิสิกควบคุมมาแยกไปแยกไปแล้วไปจะไม่ทั้งตัวหางมันเหนออะทีนี้เราไม่มีหางมันจะเจนกรอบเลยนี่แล้วตัวหางสูงแล้วเท่าที่เรา ม, มีหางก็หางเรามีไม่เหันปวดมันไม่มีหางอยู่แน้ะ ตั้งแต่ตัวมันเองมันไม่เห็นตัวหามันเราไจอตัวมันทําไมแน่มันก็แยกแต่นั้นจนไดมตัวมันเองมันยังไม่เห็นตัวหามันนี่เราจะไจอตัวมันทํำไมถ้าแยกอีกน้จริงออกนะถ้าแยกเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกอธา้าขันทุกอวัยวะของมันมันแยกออกแยกออกด้วยสันดานี่มันถึงขั้นสัญามันแยกสัญญาไม่มีทิตเนี่ยหน้าตัวที่ตรงไหนถ้าพูดถึงจิต จิตมันไม่มีธรรมยิ่งกว่าจิตเราจิตเรามีธรรมจิตเรามีหน้ายิ่งกว่าจิตของตัวแล้ะตัวหาเองลอกกระของแบบนี้มันแยกมันญาได้ตับด้วยส่วนน้อยมันไม่มีกลัวแล้วมันแยกค่าได้หมดกลัวอะไรถ้าเฉยคำว่าเสือก็สมมติกันขึ้นมันก็เป็นท่าอันหนึ่งเท่านั้นเองนี่อันหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงไม่สะทกสะทานถึงท่านปัญญาเนี่ยแล้วไม่สะทกสะทานในเรื่องความกลัวสักลัวเสือกลัวอะไร พิจารณาแยกแยะได้อย่างรวดเร็วทีเดียวถึงขั้นมันรวดเร็วรวดเร็วมากพิจารณาแยกแยะนี่เป็นขั้นหนึ่งของการพิจารณาตามขั้นของจิตพอถึงขั้นที่สามจิตมันเข้าถู่ความว่ามันล่างจริงๆจิตนี่พิจารณารูปกายเหล่านี้ที่แยกเป็นรูปเป็นกายพิจารณ า, น, า น, นเข้านั่งเข้ามันก็ข้าศัตรกันระหว่างจิตกับกายอุปทานของทั้ง ทางร่างกายมันหลดไปมันต่อยออกจากนั้นแล้วที่นาต่อไปนั้นมันว่างไปหมดร่างกายแม้จะมองเห็นก็เพียงลางๆเป็นเงาๆแต่จิตมันทะลุไปหมดเป็นความว่างไปหมดที่นีร่างกางงบบยาา ท, าทั้ ง, งล่างมันดุดขึ้นอยูจิตเป็นของต้างขังเมื่อจิตมันว่างในตัวมันแล้วร่างกายก็เลยกลายเป็นของว่างไปตามๆหมดมองดูต้นไม้ภูเขานี่ไหนมองเห็นเป็นเพียงเงาๆ แต่จิตนั้นมันทะลุไปหมดว่างไปหมดเลยถ้าถึงขั้นว่างนี่มันก็มีลิมิตของเสือเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะมันปรุงคือเรื่องเสือเีย็บมันก็ดับพับอืมความปรงอันนี้มันเป็นเสือนี่นะเนี่ยมันปรุงว่าเสือความปรุงต่างหาเป็นเสือเสือไม่มีนี่นัปรุงแคบดับพร้อมปรุงปรุงแยบขึ้นมาเป็นรูปเสือนะปรุงเรื่องเสือมันก็ดับไปพร้อมในขณะที่มันปรุงปรุง โดยดับดับท่องทูนไหนๆแล้วอะไรจะมาหลอกเาเมื่อต้นเหตุตัวที่หลอกมันอยู่กับเรามันตุมขึ้นมาอะไรมันก็ดับในขณะนั้นด้วยอำนาจของสติปัญญาท่านเพาะม่มีอะไรหลอกมีกเป็นความสะดวสบายง่ยหมดมีว้ถีปราดจิตแก้ความกลัวแก้เป็นขั้นๆ ข, ขั้นต้นแก้ด้วยสมาธิทั้นจิตสงบไม่ส่งไปเรื่องของสิ่งที่น่ากลัว ทัานที่สองแยกภาติแยกขันของสิ่งที่หนาตัวเราออกท่ามันเห็นอย่างชัดเจนว่าเป็นสภาพเพิ่นเดียวกับเราหรือเป็นดินน้ำหมุไปเหมือนกันไม่มีอะไรแปลกประหลาดพอที่จะให้ส่วนจิตมันก็อย่างราติฐานนั้นมันก็ไม่ส่วนทั้งที่สามเป็นขั้นที่สามจิตมันล่างไปหมดแล้วปรุงเรื่องเสือขึ้นมาแล้วทับมันก็ดับค้องมันล่างไปหปรุงอะไรขึ้นมาก็ว่างไปหมดพอปรุงดับเกิดขึ้นดับ เกิดดับเกิดดับเกิดเป็นผ้าขึ <c oughs> ้นมาเยียบก็เหมือนเนึ่งฟ้าแม่ครับนันดับไปพร้อมที่จะทำเป็นผ้าของเสือยืนตั้งกล้าอยู่เหมือนเนื้อ่อนไม่เลมันดับพร้อมดับพร้อมที่เราก็าทราบกันว่าความตุงตัวนี้เป็นสิ่งที่หลอกขนาดที่ว่าถวักปุมเป็นเสือก็คือทั้งขาเนี่ยเป็นเสือเนี่ยมันจะอะไรเป็นเสือตัวทั้งขาเนี่เป็นเสือตัวทั้งขานี่ดอกเป็นเง่งปัญญามันทนว่าสังขาเหนึ่งตัวหลอกแล้วมันจะเป็นตัว แร่ทั้านก็เกิดกับใจปัญญาก็อยู่ที่ใจมันอยู่ด้กันมันด้เรื่องของกันแล้วมันจะไปหลงกันได้ยังไงหน้าอุบาวิถีฝเราเคยฝึกมาอย่างนี้เป็นขั้นขั้นเพิ่งท่ามันเลยจากนั้นแล้วมันก็เหมีอะไรแต่ความว่างนั่นเป็นพื้นพื้จิตจะผ่านพ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงเรือหบบฝึพ้นแล้วโดยสมมติการ ความว่างของจิตนี้ก็เป็นพื้นแต่มันมีต่างกันอยู่ที่ว่าความว่างของจิตในขั้นที่พิจรณาสือที่ว่ามันมันว่างทางยุปัสนามันไม่ได้ว่างด้วยความบริสุทธิ์ว่างทางยปัตนาตัวจิตเองมันยังไม่ว่างหนูว่างทางความบริสุทธิ์นั้นตัวจิตเองก็ว่างสิ่งทั้งหลายก็ว่างมันว่างไปหมดแล้วกว่างไปหมดย เพร็นอย่างนั้นจะ อ, อะไรมาทิสมาถือค้าจะผิดที่หน้ากลัวกลัวอะไรตัวตนอยู่ที่ไหนอภาสาลาสิงอยู่ที่ไหนมันเปเรื่องสมมุติอันหนึ่งที่ปรุงแต่งขึ้นเท่านั้นเนะถึงขนาังนี้วมันพูดไม่ถูก่ะทีนจะกลัวนั่นจะพิจารณาแจ้งความกัวอย่างนั้นอย่างนี้มันมันพูดไม่ถูกแล้ ว, วมม ไ, มลไม่พูดก็ดีคนพิจารณาไปไมารู้เองนี่พูดมาอย่างนี้ พูดตามหลักความจริงที่ได้ปฏิบัติมาขอให้ท่านทั้งหลายได้นำํำมาพิจารณาแล้ะปฏิบัติตนอย่างนั้นเลยอาจจะไปไหนถ้ามันไปในแถวแนวเดียวนี้ไม่มีทางอื่นเป็นไปแต่ตามหลักความจริงของทางภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้นมเมื่อจิตถึงพันว่างทั้งภายนอกว่างทั้งภายในคือจิตพระนิบพย์สุดเต็มที่แล้วมันหมดละอปัญหาประการทาั้งปวงเพราะมันเป็นสมมติอันนั้นมันไม่ใช่สมมติ แต่ว่าอะไรก็แล้วแต่จะเรื่องว่าไม่ว่าก็ er. าไม่มีอะไรขัดข้องไม่มีหรือมีกรหายมีอะไรวบายใจหมดเรื่องต้งหมดเรื่องเรื่องสมมติทั้งหมดนั่นแหละคือเรื่องสมมติทั้งหมดมาเกาบมาเกี่ยวข้องกับใจวิจารไปเกี่ยวข้องสมมติทั้งหลายนั่นะเรียกว่าเรื่องที่เมื่อไม่เกี่ยวข้องนรู้เท่าทันกันด้วยไม่เพียงว่าไม่เกี่ยวข้องรู้เท่าทันกันทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแล้วอะไรจะมาเกี่ยวมาเก่อ ต้องทำบายการพึกผักตนท้าววายทันเวลานั่งภาวนามีความเจ็บปวดแสบร้อนก็คุนใช้ปันดาให้มากอยากไปจอะยิ้มเฉยกับทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นค้นหาสาเหตุของทุกขเวทนานี้เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นทุกข์ซึ่งเป็นตัวผล ฉันนั่งนานก็เป็นเหตุให้ร่างกายบอกช้ําถ้าร่างกายเจ็บแล้วก็ทราบแล้วมันเจ็บที่ตรงไหนให้ะติดต่อลงไปตรงนั้นแยกดูนนหนังหรือเจ็บเป็นผู้เจ็บเนื้อหรือเป็นผู้เจ็บก็ดูหรือเป็นผู้เจ็บหรืออวัยวะส่วนใดเป็นผู้เจ็บอวัยวะส่วนนั้นนั้นมันรู้ตัวของมันไหมว่ามันเจ็บนักแล้วทุกขเวทนาที่กําลังบีบตัวอย่างสาหัสเวลานี้ มันมีมันชาติความหมายมันไม่ว่ามันเป็นเวทนามันเป็นตัวบีบกินทั้งหลายเป็นตัวบีบขันมีรูปประคันเป็นต้นมันชาติคามหมายมันไ้มมันชาติมันได้บีบอะไรไหมเมื่อไรย้อนมาดูเวทนามันก็สักว์แต่ว่าเวทนาดูไปดูหนังเนื้อเองกระดูกแต่ละส่วนส่วนเชื่อเป็นตัวทุกข์ เป็นกองทุกข์มันก็เป็นหนัง เ, เงื่กระดูกตามหลักธรรมชาติเหมอนกันต่างอันต่างไม่รู้เรื่องของการต่างอันต่างไม่ทราบความหมายของตนและของกันและกันแล้วผู้ใดเปนผู้ไปหลอกลวงไปผู้สําคัญนั่นหมายว่ามันเป็นทุกข์นี้เป็นทุกข์เกิดร้นวาย้อนเข้ามาอาจากย์มันก็นมาถูกขี้ใจแล้วแยกจากใจไปหลายั้งลหลายหนเมื่อเห็น อาการของส่วนร่างกายที่ว่าเป็นทุกข์แต่ละอย่างนั้นมันเป็นความจริงไม่เป็นไม่เป็นทุกข์แล้วเวทนาก็สั่งเวทนาเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เห็นตามความจริงหมดแล้วก็ย้อนมาเห็นจิตจิตก็สั่แต่ว่าจิตกั่งแต่ว่ารู้เมื่อต่างอันต่างจริงในท่านนี้แล้วหนึ่งทุกเวทนาสองอันใดที่เป็นอยู่อย่างไรเป็นจริงตามสภาพมาหนึ่งนั้นไม่มาเหยียบย่งทําลายมากระทบกันกัน ือถีพิจารณาถ้าพิจารณาเห็นตามความคิดเกิดอย่างนี้แล้วมันเกิดความอาถารพ์นะไม่ใช่ธรรมด า, าอาถรรพ์เหมือนกับว่าเองาทฤษนี้แป่งภูงเขาลกไหนผู้เขาตนั้นแตกกระจายเลยนู่นน่ะดูที่ความสามารถอาหารจิงของปัญญาทั้งทั้งที่เอาหัวแปลงจะผู้เขาผู้เขาแตกความคิดก็หัวมันแตกนั่นแหละแต่แต่เราไม่ได้เอาตรงนี้เราเอาตรงที่อํานาจของปัญญา ความฉลาดแหลมคมความกล้าหาญของกสิปัญญามันมีความสามารถขนาดนั้นเพราะฉะนั้นจึงสามารถเลื่อที่เด็กในจุดที่มันยึดมันถือเช่นทุกเวทนาในเมื่อในกายจิตไา้โดยลําดับหนึ่เป็นทะลุปปันหมดทั้งกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมันอยู่ภายใจิตใจพร้มกสิปัญญาตปละหน้ากำหนดนักนนที่ปัญญาสมาอาภานะความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีถูก ปัญญาเนี่ยแทนเป็นแห็นทะลุนั่นจึงพากันรักษาสติให้ดีในอารมณต่างๆยืนเดินนั่งนอนเย้นแตะให้พุณประคับประคองสติให้ดีถ้าไม่ได้พิจารณาในแง่ใดก็ดีแนเมื่อสตินี่อยู่กับจิตจิตรงเรื่องอะไรรู้นั่นล่ะคือผู้ประกอบความเพียรอยู่ทุกอียาณ ถ้ามีาสติกำกับใจแล้วเรียกว่ามีความเพีย่ยนอยู่ตลอดเวลาอสติหาไม่แล้วนั่นแหละคือการขาดรัาขัดตอนนั่งความเปลี่ยนแม้กันนั่งสมาธิภาวนาหรือก็จับจวัวะหน่งหนุ่หัวต่อทีอ่ยาต้องจิตไม่ทําความเพีย่ยนตามประโยคภยยเดินยังคงอยู่กับจักจังหวะเดิอน อ, อย่าว่าแตเดิ น, นวิ่งไปก็วิ่งเถิะถ้าลงไอ้ข า, าสติแล้วไม่เกิดประโยชน์ อ, อะไรสู้จริงจุ้ ม, มนั่นแหละติ้หกเนี่ย มันยิ่งจักจักจกจกจกแต่ไม่มีสติเรียกว่ามันเก่นหน้านะ่ไม่มีสติครับทนี้จะปต่อให้ท่านพญาที่มายท่าน